เทียบกับปฐมเทศนาแล้วนี่จะเห็นความแตกต่างกันอย่างมากนะปฐมเทศนานี่คือธรรมจักกัปตนาสูตรยาวมากนะสาธยายปกติก็ครึ่งชั่วโมงรวมแปลด้วยแต่ประชิมโอว่า น, นี้สัน้นสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายตรงทางความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอปกตินี่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 หมายถึงความละเลยการละเลยไม่ทำกิจที่ควรทำต่อตนเองต่อผู้อื่นการละเลยไม่บาเพ็ญบุกุศลนี่ก็ถือเป็นความประมาทอย่างหนึง่งความหลงลืมด้วยก็เหมือนกันนะเมื่อหลงลืมก็เลยละเลยหรือเมื่อหลงเข้าไปในอารมณ์หลงเข้าไปในความเพลินความสนุกสนานก็เลยเผยเลย อันนี้ก็เป็นแค่คุณลักษณะบางประการของความไม่ประมาทนะที่จริงชาติศาสตรยก็มีมากกว่านี้แต่นี่เป็นเป็นลักษณะสำคัญนะของความไม่ประมาทซึ่งถ้าสังเกตดูจพะพบว่ามัน ก, ออก็คล้ายๆกับสตินะบางทีก็ใช้สติกับความไม่ประมาทแทนกันได้สตินี่ลักษณะเด่นคือความความลืมความหลงนะ ลงลืมแล้วก็ให้ลืมอะไรก็ไม่สำคัรนอกจากลืมตัวมนุษย์เราเนี่ยทุกนะเนีะก็ไม่ใช่เพราะลืมโน่ลืมนี่แต่เพราะลืมตัวต่างหากให้ลืมตัวแล้วก็สามารถจะทำร้ายตัวเองได้อย่างนึกไม่ถึงเอามีดกรีดตัวเองนหรือว่าเอาเอาหัวนี่ขวกําแพง ด้วยความโกรธด้วยความเนื้อเนื้อต่ําใจหรือว่าทำร้ายตัวเองถึงขั้นตายก็ได้ฆ่าตัวตายหาไม่ก็ไปทําร้ายคนอื่นนะคนเราทำอะไรได้ทั้งนั้นนะเมื่อมีความลืมตัวแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่น่าจะทําได้อที่ประเทศพูทธานนี่มีเมื่อสักห้ารอปีก่อน มีพระที่เบต ร, รุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นที่เคารพลักของชาวบ้านมากแล้วก็เป็นที่เคารพรักจนทุกวันนี้นะท่านชื่อดุกปะกุลเลนั่นดุกปะกุลเล่ น, น, ปปลเลนี่เดิมเป็นชาวที่เบตแล้วก็มาจากตระกูลที่สูงตระกูลนี้เนี่ยก็ได้ครอง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 เรีว่าเป็นพระก็ไม่เชิงนะเรือว่าเป็นที่เบรนี่เขามีนักบวชประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสิทธาสิทธานี่ก็จะว่าเป็นคารวะก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ครอง เ, ออง เ, อเรือนท่องเที่ยวเลร่อนแล้วก็ไม่เป็นพระเพราะว่าไม่ได้ถือศีเอลเคร่งครัดอย่างพระนะเป็นสิทธาแล้วก็มีลักษณะที่ประหลาดประหลาด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 กินขี้ของท่านนะท่านก็วางแผลเลยนะก็คือว่าก่อนจะนอนนี่ท่านก็เอาถุงใส่ใส่เงินเนี่ยซึ่งมันเป็นหนังเนี่ยเอาเงินออกแล้วก็ท่านก็ถ่ายอุจจาระลงไปถ่ายเข้าไปให้เต็มเลยแล้วก็ปิดถุงเอาไว้แล้วก็วางไว้ข้างตัวพอตกดึกนี่โจมก็มานะตามคาดมันมามันก็คว้าเอา ถุงใส่เงินของท่านแล้วก็เปิดถุงแล้วก็เรียกเอามือล้วงเข้าไปหมายจะได้เอาได้เงินพราก็ว่าพอมือไปคลำอุจจาระของท่านไปถูกจาระท่านมันก็รู้เลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่เงินเนี่ยก็อุทานขข้นมาว่าโอ๊ยขี้นะก็ดึงช่างมือออกมา แต่พัดชักมือได้ออกมาอย่างแรงๆเนี่ยมือก็ไปไปกระแทกกับหินก็ปวดพอปวดแล้วทํำไงก็เอานิว้วเอามือนั่นแหละมาใส่ปากนะเพื่อจะบรรเทาความปวดถึงตอนนั้นแหละก็เลยรู้ว่าได้กินขี้ของท่านเป็นละอันนี้ชาลุงนี้ก็สอนนะว่านะถ้าลืมตัวก็ทําอะไรได้ทั้งนั้นรวมทั้งการกินขี้ของคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็น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 ธนบัตรร้อยดอลลาร์ไปนาทีแรกมันก็เริ่มต้นประมูลด้วย1ดอลลาร์อีกคนหนึ่งก็เกทับ2ดอลลาร์อีกคนที่คนที่หนึ่งก็ก็เลยเพิ่มมาเป็น3มดอลลาร์นะเล่นกัน2คนนั่นแหละนะต่างเกทับต่างประมูลกันไปประมูลกันมาบอกว่าถึง90ดอลลาร์แล้วก็ยังไม่เลิก น, นะ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 แต่ทำไมถึงยอมยอมเสียเงินร้อยกว่าร้อยี่สิร้อยหกสิบหรือบางทีถึงสามร้อยเพื่อจะได้ธนบัตรร้อยดอลลาร์มันก็ไม่ได้เป็นธนบัตรพิเศษอะไรเลยอันนี้จะเรียกว่าโ ง, ง่หรือฉลาดนะเสียสามร้อยเสียร้อยหกสิบเพื่อที่จะได้ร้อยหนึ่งแต่ก็มีคนทำกันเยอะนะเพราะอะไรนะเพราะความลืมตัว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 ลืมจิตลืมใจของตัวเองไม่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนี่จำเป็นมากนะเวลาเวลาเรามีอารมณ์เนะี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องกลับมารู้ทันใจของตัวเองให้ได้ตอนที่ท่านเวลางนะมาเมืองกวางโจเป็นครั้งแรกนะตอนนั้นท่านยังเป็นคารวาอยู่ท่านหนีภัยมาแต่ว่าได้รับ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 ไม่อยากจะเผลอตัวนะนการที่ต้องกลับมาดูแจ้งตัวเนี่ยจะต้องอทําทเป็นประจําเลยไม่งั้นเนี่ยใจเราเนี่ยมันมันไปแบบเตลิดเปิดเปิงแล้วก็ได้บางครั้งความอยากเจ้าชนะ น, นี่มันสามารถจะทำร้ายคนอื่นและทำร้ายตัวเองได้เอเมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสามีนี่ก็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 แต่ผู้หญิงก็คงจะเข็ดหลาบนะกับพฤติกรรมผู้ชายก็ไม่ยอมผู้ชายนี่พูดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมสุดท้ายก็โกรธจะคงจะรู้สึกว่าตัวเองเสียศักดิ์ศรีได้อุตส่าหมาเหมือนก็บแทบจะกราบกลานแล้วแล้วก็ยังผู้หญิงก็ยังไม่ยอมโกรธมากนะก็เลยพอช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำผู้ชายก็ตามเข้าไป แล้วก็มีแทงจ้วงกระหน่ำแทงจนตายผู้ชายทำอย่างนั้นทำไมเนะี่ยเพราะความโกรธทำไมถึงโกรธนะก็เพราะสุวตัวเองเนี่ยถูกถูกหยาดเยีย่ยมห ย, ยดหยามเสียเกียรติรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายแพ้ไม่รู้จะเอาชนะผู้หญิงได้อย่างไรอุตสาห์มาขอร้องแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ก็เลยต้องการแก้แค้นต้องการเอาชนะผู้หญิงให้ได้และวิธีที่จะเอาชนะได้คือการใช้กำลังเพืนะ่อแทงเข้าไปจน ต, ตายแลวตัวเองก็ติดคุกนะไม่รู้ว่าตอนนี้ออกหรือยังนิสัยที่เอาชนะอยากจะเอาชนะนะซึ่งเกิดจากมาน่าหรืออัตตานี่มันน่ากลัวมากนะมัน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 สตีนี้เหมือนกับเป็นยามเฝ้าประตูนะหรือว่าเป็นยามเฝ้าเมืองเมืองนี้ก็คือจิตนักขอนนั่นเองจิตเรานี่เปลี่ยนเหมือนกับ น, น, นักอนนะซึ่งจําเป็นต้องมียามคอยเฝ้าเอาไว้บางครั้งก็เผล่นะยามนี้หลับในปล่อยให้ศัตรูเข้าไปศัตรูของจิตนะก็คือโลภโกวธหลงความถือตัวความอยากเอาชนะ มันเข้าไปมัก็ไปสร้างความป่นป่วนแต่ก็ไม่สายนะที่ยามนั่นจะไปตามไปตามล่าตามไลนะ่ให้ศัตรูเรานะออกไปจากใจสติเนี่ยทำหน้าที่นี้ดังนั้นะสติจะทำหน้าที่นี้ได้เนี่ยก็ต้องนะฝึกให้มันดูใจบ่อยๆนะมันมาดูใจตามแค่รู้ทันนะใจของตัวเองเนี่ย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 มันเป็นอารมณ์ที่ละเอียดจะรู้ทันเนี่ยใหม่ๆนี่รู้ทันยากแต่ว่าการเราก็ฝึกได้จากการมารู้กายก่อนกายก็คือนะกายเคลื่อนไหวนะอวัยวบทต่างๆนี่มันเป็นมันหยาบนะเวลามือขยับเวลาเท้าขยืน่นนี่เรารู้สึกนะเรามีความรู้สึกความรู้สึกนี่เป็นความรู้สึกที่ชัด มันก็ช่วยดึงจิตให้กลับมารู้กายได้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยแนวหลวงพ่อเทียนหรือแม้กระทั่งสติปัฏฐานสีเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่กายก่อนกายยามุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐา น, เ, นเริ่มตน้นโดยการรู้นะรู้กายรู้กายไม่ใช่เอาตาเนี่ยของเรามาดูว่ามือมันทําอะไรเท้าทําอะไรไม่ใช่เราไม่ใช้ตาเนืแต่เราใช้ตาไหนตาในคือสติ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 ใหม่ๆก็ จ, จะรู้สึกว่าทําไมมันฟุ้งเหลือเกินทำงานมันก็ฟุ้งเหลือเกินอันนี้ให้รูว่เป็นธรรมดาบางทีมาจจะฟุ้งกว่าตอนที่ไม่มาปฏิบัติซะอีกเพราะตอนที่ไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยเรามีงานที่ชอบเรามีงานที่ใส่ใจใจมันก็มีมีงานทํามันก็ไม่ฟุ้งอาจจะฟังเพลงอาจจะดูหนังใจมันก็เกาะอยู่กับ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 มันมาทั้งทางโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์มาทั้งทางโทรศัพท์มาในรูปของเอ s เอ n ม f อ c e ล o o เฟสารพัดถึงม่าหลายคนจะบอกว่าโอ้ยมันมันวุ่นวายไปหมดเลยนะแต่ว่าลึกๆ ก, ก็ติดมันนะคนที่เบือ่อพวกข้อมูลข่าวสารที่ล้นจิตล้นใจแต่พอมาอยู่วัดก็หดโหยหานะพอไม่ได้เสฟก็รู้สึกว่ากระสับกระส่ายนะ จิตก็เลยต้องหาทางไปเสพไปหาความคิดมาเสพเรียกเป็นเป็นการหาอยู่หากินของจิตนะร่างกายก็ไปหาอยู่หากินด้วยการไปเก็บผักเก็บหญ้ามาส่วนจิตนี่มันก็ไปหาอยู่หากินด้วยการไปหาอารมณ์มาเสพอากจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงก็ตามหรือวความคิดที่เรารำมารมณ์มันก็ฟุ้งเป็นธรรมดาแต่ว่าก็อย่าท้ออย่าถอยให้กลับมา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 ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตกท้องร่องเลยตกท้องร่องก็หมายความว่าใจมันก็ฟุ้งไปเลยนะเพราะไม่มีสิ่งที่จะมัดจิตผูกจิตไว้ได้ัาการปฏิบัติลงก็เทมัยมันจะฟุ้งบ่อยมือนกับคนที่ใหม่ๆเดินข้ามท้องร่องไม่เป็นก็ตกท้องร่องนะก็อย่าท้อนะลุกขึ้นมานะมาเดินต่อมาข้ามสะพานต่อ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 อันนี้เป็นความสามารถของกายและความสามารถของใจที่ฝึกได้าใจเราก็เช่นเดียวกันนะฝึกได้นะให้เขากลับมารู้กายบ่อยๆนะแต่ก่อนนี่ 90% หมดไปกับความฟ úng, ุ้ง 10% แค่รู้กายแต่ทาไปทําไปความรู้กายก็จะเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น20 30 40, 40 50จะรู้กายได้ต่อนเนื่องรู้ว่ากำลังเคลื่อนไหวรู้ว่ากำลังยกมือโดยที่ไม่ต้องเพลงไม่ต้องจองัง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 คิดสิบเรื่องถึงค่อยมารู้นี่ไม่ใช่ถ้าให้ดีเนี่ยคิดปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังขนาดนั้นระดับผู้ปฏิบัติใหม่ๆมันต้องให้เวลากับจิตในการฝึกเรื่องากการรู้กายก่อนแล้ต่อไปก็จะรู้ใจเมื่อรู้ใจแล้วก็ไม่ลืมตัวมเมื่อเมื่อเมื่อไม่ลืมตัวแม้จะมีความเจ็บความกลัวความโกรธความอยากจะเอาชนะมันก็มาครอบงำจิตไม่ได้มันยังเกิดขึ้นอยู่